หรือไม่นมภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่เป็นสังฆาทิเศษบทว่าวิหารนั้นในบัดนี้เข้าใจเป็นสถานกลางไปแล้วเพราะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทำไว้เป็นที่เหมือนพระสัสดายังเสด็จอยู่บทว่าวิหารในคำภีนั้นหมายเอาที่อยู่ของภิกษุต่างจากกุดีอย่างไร ไม่มีคําแสดงให้ชัดในคัมภีวิพังแก้บทวิหารว่าเป็นของโบกเช่นเดียวกับแก้บทกุดีในสิกขาบทก่อนความแปลแข่งสิกขาบทนี้ก็เพียงมีทายกเป็นเจ้าของไม่ต้องมีจากัดประมาณเพราะไม่ต้องไปรบกวนขอต่อคนมากนอกจากนี้พึงรู้โดยอธิบายในสิกขาบทก่อน